ดีดีธรรมบัญญายเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุมโดยพระพรหมคุณาพรปอประยุตโตตามคำอาราธนาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมในวาระที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาคอนธนมิตร มีอายุครบ80ปีบรรยายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศธ 2, 3, ักราช2553ณวัดยาณเวศสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เจริญพอโยมญาติวิตยท่านผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านขออนุโมทนาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมที่ได้มีความดำริเป็นกุศลปรารบวันมงคลที่ โยมคุณหมอสาครธนมิตรจะมีอายุครบ80ปีแล้วก็จัดรายการที่เป็นกุศลนี้ขึ้นทางเป็นการแสดงมุทิตาจิตแต่ท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตนั้นด้วยกุศ ล, ลวิถีคือวิธีการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ แผกกว้างออกไปด้วยคือการจัดรายการที่จะทำให้เกิดความเจริญงอกงามทางธรรมทางปัญญาแก่ประชาชนนี้สำหรับเรื่องที่จะบรรยายท่านก็เขียนไว้กว้างๆเป็นเรื่องการบรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาวะก็สุดแต่จะพูด อันาตมภาพก็จําได้ว่าเมื่อสี่ปีก่อนโน้นโยคุณหมอก็ได้นิมนต์ไว้แล้วก็ผัดท่านมานี่สี่ปีแล้วก็จําได้ว่าเป็นเรื่องความสุขซึ่งเป็นชื่อเรื่องง่ายๆแม้จะทําได้ยากทีนี้ก็เลยจําติดมาเอาเป็นละใช้ชื่อเรื่องนี้แหละคือไม่ต้องไป ตั้งใหม่อะไรตามที่ได้ยินว่าเรื่องความสุขก็เอาเรื่องที่ง่ายที่สุดเนี่ยอันนี้เรื่องความสุขที่จะพูดนี่ความจริงนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่บอกเมื่อกี้นะ่ะทำยากแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลิศเกินว่ากันไปแล้วในแง่หนึ่งเราพูดได้เป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ได้ ทีนี้ก็เลยมีเทื่องต้องขอทำความเข้าใจกันเป็นการออกตัวไว้ก่อนแต่ต้นคือในฐานะที่เป็นเรื่องใหญ่คิดว่าท้าพูดกันจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาห้าถึงสิบชั่วโมงไม่น้อยกว่านั้นนซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องพูดกันเฉพาะเป็นหลักๆราะนั้นก็อาจจะไม่สามารถอธิบาย ในรายละเอียดให้ชัดเจนไปได้มากนักก็มุ่งเอาที่ตัวหลักให้เห็นรูปร่างเขาโครงอะไรทำนองนี้ไว้แล้วก็เลยได้เอาใบแสดงหัวข้อสันส้นๆให้ท่านที่ร่วมในการจัดรายการว่าเผื่อจะแจกญาติโยมดูไม่ทราบแจกหรือยังถ้าแจกแล้วก็ คิดว่าพูดตามนั้นแหละและ้วก็ถ้าพูดไม่ครบก็จะได้ทวงได้ว่าหัวข้อไหน ย, ยังไม่ได้พูดประการต่อไปก็คือว่าในเมื่อเป็นเรื่องใหญ่และมีเนื้อหา ม, มากในการพูดเรื่องพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือจากแง่มุมของพพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะมีหลักฐานเช่นพุทธพจน์มาเยอะๆแต่วันนี้ได้แค่เป็นการเอา หลักหรือเอาเนื้อหาทั้งหลายเนี่ยมาประมวลสรุปให้เท่านั้นนั้นก็เลยต้องแยกในส่วนที่เป็นหลักฐานข้อมูลเดิมอย่างพุทธพจน์เนี่ยก็จะไม่มารวมไว้ในทีน่นี้คือแยกไว้ต่างหากเลยซึ่งสามารถจะทำให้ต่างหากเพื่อเป็นฐานให้แก่สิ่งที่พูดนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยาวทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อง ขอบอกตรงๆว่าเป็นการเอาพระอาภาตมาพูด <c oughs> <c oughs> ก็เกรงอยู่เพราะผัดท่านมาสี่ปีว่าถ้าคราวนี้ไม่รับเดี๋ยวต่อไปตัวผู้พูดจะไม่มีตัวเหลือที่จะมาพูด <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นวันมงคละวานของท่านด้วยและก็คิดว่าถึงเวลาจำเป็นต้องมาพูดแล้ว ก็มาพูดกันในเรื่องที่เรียกง่ายๆว่าความสุขนั้นสำหรับชาวพุทธเนี่ยเวลาพูดถึงความสุขหลายท่านก็คงจําพุทธพจน์อันหนึ่งได้ซึ่งเป็นพุทธพจน์ง่ายๆแล้วถ้าเข้าใจพุทธพจน์นี้ซึ่งเป็นเรื่องพูดถึงความสุขโดยตรงเนี่ยถ้ามีความเข้าใจในพุทธพจน์นี้พอก็คิดว่าจบเรื่องความสุข ก็คือว่าเรื่องความสุขพูดเท่านี้ก็พอจบแล้วนะคือพุทธพจน์ว่านิพพานนางปรามังสุ ข, ขังก็แปลว่านิพพานเป็นบรมสุขหรือเป็นสุขอย่างสูงสุดใครเข้าใจความหมายของคำนี้หรือของพุทธพจน์นี้ก็แปลว่าเข้าใจเรื่องความสุขก็เลยพอแต่ทีนี้ว่าเอาละพุทธพจน์เนี่ยในความเข้าใจเนี่ย นอกจากจะเข้าใจความหมายของพุทธพจน์โดยตรงแล้วก็ยังมีสาระซ่อนอยู่ในนี้ด้วยความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก็คือในพุทธพจน์นี้เท่ากับให้เรารู้ว่ามีการยอมรับความสุขว่ามีเยอะแยะมากมายหรือความสุขแตกต่างหลากหลายท้งโดยขั้นและโดยประเภทความสุขมีเยอะแยะ พระพุทธองค์จึงตรัสถึงความสุขสูงสุดทนี้ความสุขอื่นนั้มีแต่ว่าไม่ใช่สูงสุดแต่การที่มีความสุขอย่างอื่นๆมากมายเนี่ยเมื่อยอมรับแล้วก็เป็นการบอกให้รู้ถึงการที่เราจะต้องมีการก้าวหน้าหรือพัฒนาในความสุขนั้นด้วยก็หมายความว่าความสุขนั้นมีมากมายมีหลายขั้นหลายระดับหลายประเภท แล้วความสุขนั้นพัฒนาได้แล้วสุขทุกขั้นนั้นถ้าก็ยอมรับก็เป็นสุขไม่ได้บอกว่าเสียหายแต่มันมีข้อที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรียกภาษาพราะเรียกว่ามีข้อดีและข้อด้อยเวลาพระพุทธสอนหาพูดถึงอะไรเนี่ยก็มักจะพูดว่าให้ดูทั้งข้อดีและข้อด้อยหรือข้อดีข้อเสียทางข้อดีนะั้นท่าเรียกว่าอัศทะ ทางขอด้อยเรียกว่าอาทินวะแล้วก็อาธทีสามก็จะต้องมีนิสรณ ะ, ะทางออกหรือจุดที่พ้นออกไปจากข้อดีข้อด้อยนี้ก็หมายความว่าไปสู่ความสมบูรณ์หรือดีกว่านั้นเพราะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็จะมีหลักสามประการนี้ให้ดูเรื่อยว่าเอออันนี้ก็ดีนะความสุขอย่างนี้แต่ว่ามันมีอาทินวะอยู่นะมีข้อเสียอย่างนี้ มันมีข้อดีก่อนอสาธ t ข้อดีอย่างนี้แล้วก็มีอาทีนะวะข้อดอยอย่างนี้เออแล้วมันยังเมื่อยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราจะออกอยังไงก็เดินหน้าต่อไปแล้ทาที่พูดนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าทางพุทธศาสนาถือว่ามีความสุขเนี่ยมากมายแตกต่างหลักหลายแล้วก็ความสุขนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาและการพัฒนาความสุขก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ เราจะเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้นี่ในการพัฒนาความสุขเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาธรรมะอื่นๆไปด้วยหมดเลยโดยเฉพาะที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาเรามักจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมบางทีก็พูดคู่กันว่าศาสนากับจริยธรรม โดยโยงเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของศาสนาในเมื่อพูดถึงจริยธรรมก็เลยต้องขอตั้งข้อสังเกตแทรกไว้เป็นพิเศษว่าจริยธรรมในความหมายที่เราใช้กันเนี่ยมักจะเป็นไปในเชิงที่ให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างจะฝืนใจจำใจเหมือนจะให้คนประพฤติดีไม่ทำโน่นทำนี่ที่เป็นการเสียหายไม่ทำความชั่วเนี่ย รู้สึกเหมือนกับว่าฝืนใจหรือจำใจต้องทำนี่ถ้ามองตามหลักธรรมเนี่ยการพัฒนาจริยธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่แท้ก็จะต้องเป็นจริยธรรมแห่งความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่ฝืนใจหรือมีความทุกข์ก็ยังเป็นจริยธรรมจริงไม่ได้อันนี้ก็ขอให้ตั้งเป็นข้อสังเกตสาคัญไว้ ซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะพูดกันอีกนี่เมื่อพูดถึงจริยธรรมแล้วก็โยงไปถึงการศึกษาก็เลยซ้อนเข้ามาด้วยคือคนเราเนี่ยทางพระทะเลกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจะดีเลิศประเสริฐได้ก็ไดกก้การฝึกการฝึกก็คือการศึกษาศึกษาก็คือพัฒนาพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษา โดยคนนะั้นต้องฝึกตนให้ดียิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีเดียวหมายความว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ต้องฝึกจะดีจะประเสริฐได้ในการฝึกเนี่ยมันสองให้เห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ถ้าการศึกษาเดินไปถูกทาง เป็นไปได้ดีก็จะ ต, ต้องเป็นการศึกษาที่มีความสุขก็ศึกษาได้ความสุขหรือเป็นการศึกษาแห่งความสุขถ้ายังไม่มีความสุขก็ต้องสงสัยว่ายังไม่ใช่การศึกษาที่แท้ยังไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้องแล้วการศึกษานี่ยก็พัฒนาชีวิตคนเมื่อคนได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาเขาก็ดำเนินชีวิตได้ดีได้ถูกต้อง การดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องนั้น เ, เรียกว่าจริยธรรมเพราะนั้นจริยธรรมกับการศึกษาก็มาด้วยกันก็หมายความว่าเออตัวมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติที่จะต้องฝึกฝนพัฒนามีการศึกษาแล้วเมื่อศึกษาถูกต้องก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานั้นสอดคล้องกันเขาก็จะยิ่งจะเลยงอก ง, งามขึ้นในความสุข การศึกษาก็จะเป็นการพัฒนาความสุขไปด้วยพัฒนาชีวิตพัฒนาทุกอย่างในตัวคนนั้นนี่การศึกษาก็เป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสุขและมีคุณสมบัติอือ่นๆที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเขาดำเนินชีวิตที่ดีงามได้การดำเนินชีวิตที่ดีงามนั้นเราเรียกก็จะเรียกธรรมอันนี้คือความหมายที่อิงตามหลักพุทธศาสนา แต่ที่เราพูดคําว่าพุทธศาสนาในที่นี้นนก็เป็นการพูดโดยเอาภาษามาเป็นเครื่องสื่อสารคือถ้าหากเขเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองแร้พุทธศาสนาก็ว่าไปตามสิ่งที่มันเป็นนั่นเองเราก็มาใช้คําว่าพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องสื่อสารให้เข้าใจกันได้ง่ายอันนี้ขอแจ้งขมาให้สังเกตก่อนคือเรื่องการศึกษาจริยธรรมเนี่ย จะต้องเป็นการศึกษาแห่งความสุขเป็นจริยธรรมแห่งความสุขจึงจะเป็นของแท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาความสุขถ้าการศึกษายังเป็นไปวยความฝืนใจขาดความฝ่ายฝึกคือไม่ต้องการฝึกตนเองมันก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ก็ไม่สามารถเป็นการศึกษาที่แท้ จริยธรรมก็เป็นจริยธรรมเป็นความจําใจไม่เป็นจริยธรรมแบบจําใจก็ไม่สามารถเป็นจริยธรรมที่จริงได้ก็ขอผ่านตรงนี้ไปก่อนนี่ก็มาดูกันต่อไปเวลาเราพูดถึงการพัฒนาความสุขเนี่ยเราก็ไม่ควรมองข้ามคําว่าทุกข์คือมองอะไรก็ต้องมองให้ครบมองตามความเป็นจริงอันนี้ ถ้าหากว่าเราบอกมีความสุขแต่ยังมีทุกข์อยู่นี่มันก็เป็นสุขแทนสุขจริงไม่ได้เพราะนั้นที่ว่าพัฒนาความสุขเนี่ยก็หมายถึงภาวะที่หมดทุกข์บำราาทุกข์ปลอดทุกข์ดับทุกข์ได้ไปด้วยนั้นพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี่ก็อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งโดยเอาคําว่าทุกข์มาแทนคําว่าสุขแล้วกลายเป็นกระบวนการดับทุกข์ไป ก็อันเดียวกันนั่นเองแต่กระบวนการดับทุกข์นี่จะพูดชนิดที่ว่าคุณจะสุขยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องถึงขั้นไม่มีทุกข์เหลือจึงจะจบก็เลยตามหลักวิชาแล้วจะใช้สำนวนนี้หรือแนวนี้ว่าใช้เป็นการดับทุกข์แต่อย่างไรก็ตามคําว่าการดับทุกนี่ที่ภาษาพระเราใช้คําว่านิโรธเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องภาษาอย่างหนึ่ง เวลาเราพูดว่ดับทุกเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับทุกมีอยู่แล้วก็ดับแล้วก็เลยต้องคอยดับทุกก็อยู่นี่เองความจริงนั้นนิโรธเนี่ยในภาวะที่แท้นี่เปนัญหาเรื่องภาษานะีหมายถึงการไม่มีความทุกขเกิดขึ้นนี่นี่คือความหมายที่ต้องการถึงขั้นที่เป็นนิพพานก็คือภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้น บางครั้งท่านอธิบายได้คำว่าอนุปปาทนิโรธนิโรธคือการไม่เกิดขึ้นก็หมายความว่านิโรธแห่งทุกการดับแห่งทุกนั้นหมายถึงการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกอ้าวทีนี้เราจะไม่พูดถึงกระบวนการดับทุกขในภาษาที่ใช้คำว่าทุกข์แต่เราไปใช้คำว่าสุขแทนกระบวนการพัฒนาความสุขแต่ว่าเราก็ไม่มองคำเรงทุกมันจะไปได้วยกันเพราะนั้น เวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขมันก็จะมีการจัดการกับเรื่องความทุกข์ไปด้วยแต่เบื้องต้นต้องพูดไว้ก่อนอันหนึ่งก็คือท่าทีต่อความทุกข์อันนี้ต้องจัดทางพระเขาเรียกว่าหน้าทีต่อทุกข์หรือกิจในอริยสัจข้อทุกข์อันนี้ถ้าผิดแล้วก็หมดเลยเสียกระบวนตั้งแต่ต้นแล้วก็คนมักจะมองข้ามอันนี้ไป ถ้าทวิธีปฏิบัติต่อทุกคือยังไง <Yeah. S 1> อเ น, นสัตสี่นั่นทุกท่านทราบว่ามีทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็รู้ว่าความหมายคือยังไงอย่างนัแต่ว่าลืมไปว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงต่ออเ น, นสตัตแต่ละข้อ น, นั้นท่านเรียกว่า ก, กิจต่ออเ น, นสตัตต้องทําให้ถูกถ้าไม่ถูกเราไม่มีทางตัดสิรู้เลย อันนี้หน้าที่ต่อทุกข์อาพูดรวบรัดไปเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์ท่านเรียกว่าปริญญา <Yeah. S 1> ทุกขังปริญญาอย่างทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจได้ปัญญา <Yeah. S 1> หมายความทุกข์นั้นสําหรับรู้สําหรับเข้าใจ <Yeah. S 1> เอาง่ายๆเหมือนเราแก้ปัญหาต้องรู้ปัญหา <Yeah. S 1> แต่ใครไปเอา ทุกมาปฏิบัติในทางที่ผิดเช่นว่าพอเจอเรื่องทุกข์เราก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละหมดทางแล้วเป็นว่าผิดเลยก็เอาไปว่าทุกข์นั้นท่านสอนไว้เพื่อให้รู้ให้เข้าใจทุกข์นั้นสำหรับปั ญ, ญญารู้จบเนีเพราะนั้นอันนี้อย่าให้พลาดตั้งแต่ต้นเลยพอเราเข้าใจทีนี้ก็ขอตอบไปได้นี่เมื่อเราจะพัฒนาความสุข เราก็มาดูความหมายของความสุขกันหน่อยแล้วความสุขมีความหมายว่าอย่างไรก็จะให้ความหมายหนึ่งแต่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าไม่ใช่ความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมในระดับหนึ่งแต่เป็นความหมายที่สำคัญมาว่าไปความสุขก็คือการได้สนองความต้องการหรือถ้าใช้ภาษาง่ายๆก็ ความสมอยากสมปรารถนาและอยากจะอาบน้ำได้อาบน้ำก็มีความสุขอยากรับประทานอะไรได้รับประทานก็มีความสุขเด็กอยากจะเล่นได้เล่นก็มีความสุขก็ได้สนองความต้องการหรือสนองความอยากความปรารถนานั่นเองแต่ในที่นี้ก็ขอแทรกอีกเหมือนกันคือปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยยังทำว่าต้องการกับปรารถนากัน อยากในเดียนนี้ก็มีการใช้แยกกันว่าความต้องการกับความอยากให้เป็นคนละอยา่างขอโอกาสใช้ภาษาอังกฤษนิ ด, นดหนึ่งบางทีก็ใช้คาว่าความต้องการให้ตรงคาว่านิดเป็นความต้องการที่มันจำเป็นอะไรทำนองนี้แล้วก็ความอยากความปรารถนาก็ใช้ดีไซน์หรืออะไรก็นแล้วแต่ซึ่งมีลหลายหลายศัพท์ ทีนี้ศั์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนแจมแจ้งสมัยโบราณท่านก็มีนะสั์ก็เลยมาเล่าสู่การฟังคำว่านี้ที่เรามาแปลว่าต้องการสมัยก่อนท่านใช้คำว่าจำปรารถนาไม่ทราบเคยได้ยินไหมยกตัวอย่างเช่นสติสัพพัท ธ, ธปฏิยาแปลว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง หมายความว่าสติเนี้ยเป็นธรรมที่ต้องใช้ในทุกกรณีหมายความแลาจะทําอะไรก็ตามเนี้ยต้องมีสติสติจําปรารถนาเป็นสิ่งที่จําเป็นใกล้ๆกับคำว่าจําเป็นแต่จาปรารถนาถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเออมีกระท่อมหลังหนึ่งแล้วจะเข้าไปนอนอันนี้กระท่อมหลังนั้นอนะไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นดิน พื้นเป็นดินแล้วอาจจะเฉยแชอาจจะขรุขระด้วยก็บอกว่าผู้ที่จะนอนในกระท่อมนี้จำปรารถนาเตียงว่างเงินอย่างนี้เรียกว่าจำปรารถนาคือเขาอยากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันจำปรารถนานี่ภาษาเก่ามีเยอะแยะคำว่าจำปรารถนานหรืออย่างคนเจ็บป่วยก็จำปรารถนายาอะไรเงี้ยโบราณมีแล้วคานี้ ก็ไม่สับสนกับคำว่าต้องการกับปรารถนาทีนี้ในที่นี้จะใช้คำว่าต้องการกับปรารถนาแบบปนกันไปเลยไม่แยกให้เหมือนกับว่าอย่างเดียวกันก็เอาไปว่าเป็นดีไซน์ไปหมดความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอยากสมปรารถนาพอเราพูดว่าความสุข เป็นการสนองความต้องการมันก็เลยโยงไปหาคําว่าต้องการหรือปรารถนานั้นซึ่งต้องมาทําความเข้าใจก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องความต้องการหรือความปรารถนานี้เป็นเรื่องใหญ่มากอ้ขอยกบาลีอีกท่านบอกว่าฉันทักบูลกาสเพธธรรมทำทักวงหมายความทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องของมนุษย์มีความอยาก เป็นมูลเนี่ยเอาละทีนี้มันเป็นต้นทางเลยเพราะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องความอยากความปรารถนาความต้องการนี้ให้ได้แล้วในเมื่อความสุขเป็นการได้สนองความปรารถนาหรือความต้องการนี้ความต้องการนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาหมายความว่าจะพัฒนาความสุขก็ต้องพัฒนาความปรารถนาหรือพัฒนาความอยาก หรือพัฒนาความต้องการนี้วมางั้นก็ไม่สำเร็จก็จึงต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความต้องการหรือความปรารถนานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยการศึกษาจริยธรรมอะไระอะไรถ้าจับจุดนี้ไม่ได้ก็ไปลว่าไม่ถึงตัวมันไปไม่ได้นี่ความต้องการหรือความปรารถนาเนี่ยในทางพระศาสนาท่านแยกเป็นสองอย่างท่านใช้ คำว่าปัตธนาปัตธนาและปรารถนาก็คืออยากนั่นแหละมีสองอย่างคืออะไรคือกุศลปัตธนาความปรารถนาที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นกุศลกับอกุศลปัตธนาความปรารถนาหรือความอยากที่เป็นอกุศลอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าคนไทยเนี่ยพอพูดถึงความอยากเราไม่ได้มักจะบอกไม่ดีไม่ถูกไม่ได้ใช่ไม่ได้จะไม่ให้อยากอันเนี้ยอันตราย อันนี้ดีไม่ดีก็กลายเป็นว่าทาร้ายไปเลยตัดรอนการที่จะพัฒนาความอยากต้องรู้จักแล้วก็แยกให้ได้แล้วก็มีความอยากที่ถูกต้องอ น, นี่ความอยากสองอย่างเนี่ยสับเดิมสับเดียวกันก็คือฉันทะแต่เพื่อไม่ให้สับสนก็เลยแยกเดี๋ยวจะมีศับมาเหมือนกับมาแทน ธรรมะฉันทะในใช้ในเรื่องไม่ดีก็มีเช่นการธรรมฉันทะหรืออะไรฉันทะฉันทะในเรื่องที่เป็นอกุศลได้แล้วฉันทะในทางที่ดีก็ธรรมะฉันทะกุศลแัะฉันทะอะไรกันอย่าที่ว่าทีนี้เพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยในทางคล้ายๆกับวิชาการก็เลยแยกศัพท์กันไปซะเลยความปรารถนาความอยากที่เป็นอกุศลที่ฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็เลยใช้ศัพท์ ตัวหนึ่งค่อนข้างยืนตัวว่าตันหาและส่วนคําว่าความอยากหรือความปรารถนาที่เป็นกุศลก็ใช้ตัวฉันทะยืนอยู่ถ้าใช้เต็มก็ใช้ว่ากุศลและฉันทะบ้างธรรมฉันทะบ้างกุศลธรรมฉันทะบ้างกัตตุกรรมยาตาฉันทะบ้างอะไรเนี่ยมีหลายคําอันนี้เดี๋ยวความหมายมันจะค่อยๆมาเอง ตอนแรกก็จะต้องมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความอยากสองแบบนี้ก่อนต้องแยกให้ได้แล้วอะไรแต่ อ, อะไรจะชัดขึ้นเรื่องความสุขก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงตอนนี้ก็แบนว่าเมื่อจะพัฒนาความสุขก็ต้องพัฒนาความอยากหรือพัฒนาความต้องการอันนี้ความต้องการเป็นสองอย่างที่เป็น อกุศลนิยมใช้คำว่าตัณหาและที่เป็นกุศลนิยมใช้คำว่าฉันทะนี้มาดูลักษณะทั่วไปว่าต่างกันอย่างไรเพื่อสนองความต้องการทางภสษะต้องการรูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ที่มันน่าพอใจชอบใจที่ชอบใจใใเรามักจะใช้ศัพท์กรรม หรือจะใช้คําว่าอามิตรสามิตธอะไรพวกนี้อามิตรก็ได้บางงันก็จะบอกอคนมันก็ต้องมีสิอย่างางี้ก็มาดูความอยากกันที่สองแล้วค่อยมาเทียบความหมายให้ชัดความอยากที่สองที่เป็นกุศลที่เรียกว่าฉันทะคืออย่างไรถ้าแปล ง, ง่ายๆขั้นต้นก็คือความชื่นชมยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆอันนี้ พอพอใจในความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ น, นแม้กระทั่งของคนนั้นๆถ้ามันยังไม่ดีหรือดียังไม่เต็มที่กันแลวแต่ก็อยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์ทีนี้ต่อไปความอยากประเภทนี้จะมีการพัฒนาเดี๋ยวจะมาเทียบกันความอยากประเภทที่หนึ่งที่เป็นอกุศลความอยาก ควาพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสนองความต้องการในการเสพว่าไงเถอะเรียกง่ายๆว่าการเสพอยากเสพว่างเพราะอยากเสพเนี่ยมันเป็นการอยากได้อยากเอาเพื่อตัวแหละนวตรงเนี้ที่มันมาและมาแล้วคือพออยากแบบนี้มันจะต้องมีตัวขึ้นมาเลยมีตัวที่จะเป็นผู้ได้ผู้เอา ก็อยากได้อยากเอาเพื่อตัวมาให้กับตัวตัวจะได้เสร็แต่ถ้าเป็นความอยากประเภทที่สองนี่มันไม่มีความอยากในความดีงามความพอใจชื่นชมในความดีความงามของสิ่งนั้นๆก็อยากให้สิ่งนั้นมันสมบูรณ์ของมันอยากให้มันดีของมันอยากให้มันงามของมันเห็นมันดีมันงามก็ชื่นชมแล้วก็สบายอย่างนี้แค่เห็นมันดีงามก็มีความสุขแหล น่ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ถ้ามันยังไม่ดีก็อยากให้มันดีม like ันงามอันน uh> ี้ทำไงอยากให้มันดีมันงามมันก็ตอบไปบอกว่ามันยังไม่ดีไม่งามก็อยากทำให้มันดีมันงามอยากทำให้มันดีมันงามให้มันสมบูรณ์แล้วจะทำมันแล้วไม่รู้จะทำไงก็เลยอยากรู้อยากรู้ว่าทำไงมันจึงจะ ดีงามสมบูรณ์ก็เลยกลายว่าความหมายคาว่าฉันทะเนี่ยมันกว้างตั้งแต่ชื่นชมยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆคนนั้นๆแล้วก็มาอยากให้เขาอยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็อยากทำให้เขามีความดีงามความสมบูรณ์ความสุขแล้วก็อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ดีงามสมบูรณ์ความสุขอย่างนั้น พราะฉะนั้นคำว่าฉันทะหรือความอยากที่เป็นกุศลเนี่ยท่านมักจะให้ความหมายว่ากัตุกรรมมยตาฉันทะไปที่ไหนพอเจอก็เอาละฉันทะฉันโทติกัตตุกรรมมยตาฉันโทอย่านั้ก็หมายถึงว่าความอยากที่เป็นกุศลคือการอยากทําในวงเล็บทําให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์อันนี้สําคัญมาก แล้วตรงเนี้มันเป็นต้นทางหรือเกิดที่มันจะไปสู่การพัฒนามนุษย์นี่พอเราอยากให้อะไรมันดีเป็นงามอา้าวเราเห็นพื้นพอมันสะอาดดีงามเราก็ชื่นชมสบายใจมันยังสกปรกไม่สะอาดเราก็อยากให้มันสะอาดอยากให้มันดีแล้วมันยังไม่ดีเราทำไงเราก็อยากจะทำให้มันสะอาดเราก็ไปฉวยไม้กวาดมานแล้วก็ทำ ถ้าเราไม่รู้วิธีกว่าแเราก็ไปหาวิธีเรียนเอากระบวนการนี้ทั้งหมดเรียกก็เป็นการศึกษาเพราะฉะนั้นฉันท้าตัวนี้จึงเป็นต้นรากของกระบวนการศึกษาหรือพัฒนามนุษย์แต่ถ้าเป็นตัญหาจะไม่เกิดอันนี้เลยอยากจะได้จะเอาผู้ตัวมาเสพจบอันนี้ก็หาทางจะได้จะเอา กระบวนการแบบเงื่อนไขไม่ใช่กระบวนการแบบเภตปัจจัยจะมาอันนี้ให้สังเกตนะถ้าเป็นความอยากประเภทตัณหาเนี่ยเดี๋ยวจะเถียงว่าเอ้ยมันก็ทําให้อยากทําเหมือนกันเปล่าไม่ได้อยากทํามันอยากจะเสพอยากจะได้อยากจะเอาแต่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าคุณไม่ทําแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันทําให้เกิดการกระทาในระบบเงื่อนไขอ แล้วไอ้การกระทานั้นมันเลยเป็นความทุกข์ทําตามเงื่อนไขเท่านั้นเพราะว่าถ้าตัวไม่ทําแล้วมันไม่ได้มาเสพโอ้ต้องรอกว่ามอะไรจะได้ความสุขก็ไม่รู้ ต, อ, ตอนเสพแต่ถ้าเจ้าพวกฉันท่าอยากจะทําให้มันดีเนี่ยมันสุขตลอดเวลาที่มันทําเพราะมันเกวนความสุขที่เกิดโดยตรงตามเหตุปัจจัยตรงตามเหตุปัจจัยในกระบวนการของมันอันนี้สําคัญมากาท่านจึงถือว่าฉันท่าเนี่ยเป็นจุดเริ่ม พุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นของฉันทะเนี่ยเป็นเหมือนแสงอรุณบอกว่ า, วาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอุทัยนั้นมีแสงอรุณมาก่อนฉันใดถ้าฉันทะเกิดขึ้นแล้วก็หวังได้เลยว่าจ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามในมันคา ในอริยมรรคมีองค์แปดหรือในศิกขาในการศึกษาเนี่ย <Yeah. S 1> ไปได้แน่แน่ไม่ต้องห่วงเป็นกระบวนการธรรมชาติเป็นไปเองเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัย mm hmm. ก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆอย่างโลกเวลานี้เราอยู่ในระบบเงื่อนไขแทบเท่านั้นมนุษย์มีความฉลาดเราก็มีระบบสมมติขึ้นมาซ้อนกับกฎระบบของธรรมชาติเราเรียกว่ากฎสมมติของมนุษย์ ก, กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองและเราก็มีกฎสมมติที่เรามนุษย์มาตั้งตกลงกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยตามสมมติตาม ต, ามตกลงอันนี้เราจะเห็นว่ากฎสองกฎนี้ซ้อนกันอยู่ในโลกมนุษย์ปัจจุบันที่มีอารยธรรมเนี่ยทั่วไปหมดยกตัวอย่างอยู่เสมอก็คือเรื่องการทํางานที่ง่ายๆก็บอกว่าเอา้า เรามีสถานที่ราชการหรืออะไรก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยในที่มีอาคารสวยงามเราก็อยากให้บริเวณร่มรื่นมีสนามหญ้าเขียวขจีมีต้นไม้มีดอกสวยงามใบสะพรั่งอย่างเงี้ยเราก็ทำไงมนุษย์มีความฉลาดก็รู้จักแบ่งงานกันทำก็เลย จัดระบบขึ้นมาว่าเออกฎธรรมชาติมันมีอยู่ว่าต้นไม้แม้แต่หญ้าเนี่ยจะงอกงามขิวขจีสดชื่นได้ก็ได้การที่ได้รับอาหารได้รับปุ๋ยอะไรเป็นต้นมีการบำรุงดีและสวนจะแต่งอะไรอะไรนก็เพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็นกฎธรรมชาติ ไวไม้ดอกไม้จะสมบูรณ์ก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้แน่นอนตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็อยากให้ต้นไม้เนี่ยพรั่งพร้อมสมบูรณ์เขียวขจีสพรั่งเอาละตามกฎธรรมชาติเรารู้และ้ะจะต้องมีการมาบารุงมาพลวนดินมารดน้ำอะไรต่างๆทีนี้จะทำไงเราก็ตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมากฎมนุษย์ก็เป็นสมมติคือข้อตกลง รู้ร่วมกันสมมติแปล ว, ว่ารู้ร่วมกันรู้ร่วมกันขึ้นมาก็คือตกลงว่าเอา้าฉันจะจ้างคนมานะให้มาเป็นคนสวนมาช่วยรดน้ำพรวนดินตัดแต่งต้นไม้เนี่ยดูแลให้สวนมันสวยงามเนี่ยจะให้เงินเดือนเจ0 0บาทใครมาทำงานนี้แล้วก็ได้ตามกฎนี้ก็คือทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 7,000 บาท การทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนเจ็ดพันบาทเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงเลยนะมองดูแล้วจริงก็ต้องทำสวนรดน้ำรวนดินอยู่หนึ่งเดือนก็ได้เงินเดือนเจ็ดพันบาทเงินเดือนเจ็ดพันบาทเป็นผลของการทำสวนเวลานี้ที่จริงมีสองกฎซ้อนกันอยู่คือกฎธรรมชาติว่าต้นไม้จะงอก ง, งามได้เพราะ มีปุ๋ยมีอาหารมีอะไรต่างๆที่เรียบร้อยสมบูรณ์อันนี้กฎธรรมชาติแน่นอนเด็ดขาดแล้วก็มีกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาเพื่อให้เกิดผลตามกฎธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยในธรรมชาตินี้เราก็มีกฎเหตุปัจจัยของมนุษย์ขึ้นมาเรียกว่ากฎสมมติหรือกฎมนุษย์หรือกฎหมายก็แล้วแต่ว่าให้มีคนมาทํางานเนี้ยที่เรียกวการทําสวนเนี้ยแล้วก็ทำหนึ่งเือได้เงินเดือน7000บาท ก็เป็นกฎกฎมนุษย์นี่เป็นกฎสมมติตามตกลงกันทำเสร็จแล้วเจ0 0บาทอาจจะไม่ให้ก็ได้เกิดไปให้แค่5 0 0พันบาทหรือตะคนที่ได้รับจ้างมาทำสวนเจ0 0บาทอาจจะไม่ตั้งใจทำงานเนี่ยแกก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงอะไรต่างๆถึงวันก็เอาเงินเดือนไปก็ไม่ได้ทำตามกฎธรรมชาติปรากฏถ้าแกไม่ทำตามกฎธรรมชาติ แกจะได้เงินเดือนเจ็ดพันหรือหมื่นต้นไม้มันก็ไม่งามสองกฎเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ทีนี้กฎมนุษย์เนี่ยมันเบี้ยวได้คือหมายความไม่ยอมทําตามพอไม่ทําตามก็เป็นไงก็มนุษย์ก็ทะเลาะกันมนุษย์ก็มาทะเลาะกันเรื่องกฎสมมติของมนุษย์เนี่ยระบบสมมตนินุ่งที่สุดเลยเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงสักอันหนึ่งทีนี้เจ้ากฎสมมติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นระบบเงื่อนไขใช่ไหม คุณต้องมาทำสวนเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วคุณจะได้เงินเดือนเจ00บาทคือการทำสวนหนึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ทำให้เงินเจ0 0บาทเกิดขึ้นมาได้เลยโดยธรรมชาติไม่มีอ่ะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขว่าเมื่อทำได้ครบหนึ่งเดือนแล้วจะมีการให้เงินเจ0 0พันบาทนี่เรียกว่าระบบเงื่อนไข เ, นเมื่อมันเป็นระบบเงื่อนไขเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการไอการที่ต้นไม้จะงามถ้าคนที่มาทาสวนเนี่ย เขาต้องการแต่เงินเจ็ดพันบาทไม่ได้ต้องการให้ต้นไม้งามเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สิเพราะเขามาทําสูนเพราต้องการเงินถ้าเขาต้องการแต่ผลตามกฎมนุษย์ไม่ได้ต้องการผลที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติความอยากที่เป็นกุศลคือการอยากให้ต้นไม้มันดีมันไม่มีความอยากให้ต้นไม้มันดีมันงามมันสมบูรณนีมันไม่มีหรอกเรียกว่าฉันทามันไม่มีแต่มันมีตันหาคืออยากจะได้เงิน 7,00 ดบาท ตันหามันก็ทําให้เกิดการกระทาตามระบบเงื่อนไขก็คือไปทําสวนไอการทําสวนนี่ที่จะให้ต้นไม้มันดีไปงามเขาไม่ได้ต้องการเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จําใจทำเพราะนั้นเขาก็ทํางานด้วยความทุกข์เพราะนั้นคนในโลกปัจจุบันเนี่ยที่ปัญหาหนึ่งที่ทํางานทําการเรียนหนังสือด้วยความทุกข์เนี่ยเพราะมันอยู่ในระบบเงื่อนไขเสมอระบบตันหานั่นเองพูดตรงๆ ตัญหามันจะพ่วงมาสามมันเป็นชุดตัญหามานทิฐินีอยากได้อยากใหญ่แล้วก็ใจแคบสามอันเนี่ยสามอันนี้มันก็มุ่งเพื่อตัวเองทางนั้นแล้วก็เข้าสู่ระบบเงื่อนไขที่ว่าเพราะฉะนั้นการทำงานการเล่าเรียนศึกษาเป็นทุกหมดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสารพัดในโลกนี้เมื่อทุกมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเราจะต้องโยง ถ้ามนุษย์ฉลาดจะต้องพยายามโยงกฎสมมติของมนุษย์เนี่ยให้ไปหนุนกฎธรรมชาติให้ได้มนุษย์ที่ฉลาดตั้งกฎสมมติเพื่ออะไรเพื่อมาหนุนให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปตามกฎธรรมชาติเออเราอยากให้ต้นไม้มันงามต้นไม้จะงามได้ต้องมีการดูแลต้องมีการตัดแต่งให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเราก็เลยแบ่งงานกระทําให้คนมา ทำจริงทำจังเขาไม่ต้องกังวลอะไรก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานนี้ไปแล้วก็ได้เงินเดือนมาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรอีกมันก็จบไอตัวกดมนุษย์มันก็มานุนให้คนที่ทําตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาตินี่ทําได้ผลขึ้นทําเต็มที่เลยก็อยากจะทําอยู่แล้วอยากเห็นต้นไม้ดีต้นไม้งามสมบูรณ์อยู่แล้วนี่พอไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ก็ก็ทําเต็มที่สบายไปเลย ก็ได้ทั้งสุขได้ทั้งเงินเครื่องยางชีพไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าแกเกิดไม่มีไอตัวฉันทะที่เป็นเหตุปัจจัยในกระบวนการขักวธรรมชาติมันจบมันมีแต่ตันหามีแต่เงื่อนไขตัวเองแกก็ทําด้วยความทุกข์เมื่อแกจําใจทํางานก็ไม่ค่อยได้ผลงานไม่ได้ผลระบบของโลกมนุษย์มันก็เสีย อ, อีเสียอีกนั้นก็เลยงานก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว นี่เป็นตัวอย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากต้องย้าคือเราไม่ได้จับที่จุดนี้เรื่องความอยากในจะไปเลี่ยงที่จะพูดถึงมันต้องยอมรับว่าความอยากเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลและมีทั้งฝ่ายอกุศลแล้วรู้จักมาให้ถูกต้องนี่ความอยากที่เป็นกุศลก็บอกแล้วว่าเรียกว่าฉันทะ นี่ฉันทานนี่ก็มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไปไหนเราเห็นอะไรมันดีมันงามเราก็ชื่นชมสบายมีความสุขเราอยากให้มันดีมันงามอยู่อย่างนั้นเลยต่างๆเคยยกตัวอย่างเช่นว่าเรามาในวัดเนี่ยไปบริเวณที่มีต้นไม้มากๆเราก็เห็นเจ้ากระรอกกระแตมันกระโดดโล ด, ดเต้นเออเราก็ชื่นชมคนหนึ่งก็ว่าเออเจ้ากระรอกนี่ร่างกายมันสมบูรณ์อ้วนท้วนมันกระโดดไปกระโดดมา ดีนะขอมันเป็นภาพที่งามตาแล้วมาช่วยให้สวนได้งามน่าชื่นชมอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความอยากประเภทกุศลนี่คนหนึ่งเออไอเจ้าก็ลอกตัวนี้มันอ้วนดีนะเนี่ยถ้าเราเอาไปลงหม้อกแกงได้นะ่ก็อร่อยนี่เป็นอยากได้เพื่อตัวแหละก็เรียกว่าตัณหาเกิดนก็อย่างเงี้ยคนเราก็มีฉันท่ากับตัณหาเนี่ยเป็นอยู่ตลอด ทีนี้จะต้องพัฒนาให้ถูกอย่าไปพัฒนาตัณหาคือจะไปส่งเสริมหนุนตัณหามันจะไม่รู้จักจบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วมันไปนเงื่อนไขเรื่อยทีนีก็มาสู่ชันทะชันทะนี่ก็แปลว่าอยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์มันก็มีต่อสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้หมดนี่พอมามีต่อเพืนมนุษย์ท่านก็มีสัพพิเศษให้ ตัวฉันทาเนี่ยมามีต่อมนุษย์พอมนุษย์ด้วยกันนี่เป็นส่วนสําคัญที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือตัวคนแต่ละคนนั้นก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วอยู่กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็อยู่กับสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นฉันท์ธาที่มีต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยมาแยกแยะให้เป็นพิเศษถ้ามีฉันทานั้นตามปกติ ตอเพื่อนมนุษย์ไปเห็นใครก็เอออยากให้เขามีร่างกายสมบูรณ์งดงามหน้าตาอิ่มเอิบผ่ อ, องใสให้เขามีความสุขนะเนี่ยอยากอย่างงี้ก็เรียกว่าเมตตานะตัวที่หนึ่งก็เป็นการอยากเพื่อคนนั้นสิ่งนั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวทีนี้ต่อไปถ้ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามเขาไม่อยู่ในสภาพที่เป็นปกติไม่สมบูรณ์ไม่งดงาม ท่านก็เลยแยกให้ว่าสําหรับเรืมนุษย์สัตว์นี่ให้ความสําคัญพิเศษจะเรียกแยกสับไปเลยถ้าเขายัางไม่งาไม่สมบูรณ์หรือเขาบกพร่องย่อยย่อนมีความทุกข์มีความลำบากก็อยากให้เขาพ้นจากความบกพร่องขาดแทนความอยากไร้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนั้นให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ความอยากที่ให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยยกฐานะขึ้นมานีเรียกว่าการุณา หายความว่าความพอใจปรารถนาให้เขามีความสุขในยามเขาเป็นปกติเราเรียกก็เมตตา้ายามเขาตกต่ำลงไปอยากให้พ้นให้ถอนขึ้นมาสู่สภาวะาดีปกติก็เรียกว่า ก, ก, การุณาทีนี้เขาเป็นปกติดีอยู่แล้วเรามีเมตตาเขาเกิดไปเจริญงอกงามสบูญยิ่งขึ้นเด็กนี่ร่างกายแข็งแรงสบูญเติบโตขึ้นหน้าตาสวยงามผ่องใส เราก็มีมุทิตาหรือใครทําความดีงามสําเร็จเราก็พรอยชื่นชมยินดีอันนี้ก็เรียกว่าเหนือกับปกติขึ้นสูงก็เรียกว่ามุทิตา <Yeah. S 1> กัเนี่ยสมอย่างนี้เรียกว่าเป็นฉันทะเท่านั้นแต่ว่ามนุษย์นี้ยังต้องไปขั้นคือขั้นปัญญาสามข้อนี่ยังเป็นแค่ขั้นความรู้สึกขั้นอิโมชันน์นี่จะต้องมีปัญญามาปรับอีกทีหนึ่งขั้นปัญญาเนี่ยไปถึงข้อที่ส คืออารมณ์หรืออิโมชันหรือความรู้สึกเนี่ยมันมีฝ่ายร้ายฝ่ายดีฝ่ายดีก็เนี่ยเมตตากรุณามุ้ติตาเป็นต้นเป็นฝ่ายดีแต่มันก็ยังแค่ความรู้สึกท่านก็ต้องไปถึงปัญญาเพราะถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาตัวหนึ่งแก้ปัญหาไม่จบความรู้สึกที่ดีก็ใช้ผิดได้ก็เลยกลายเป็นว่าในกรณีนั้นเขาได้สมปรารถนาได้ เหมือนกับว่ามีความสุขได้ดีไปรักเงินเข้ามาได้ 5,000 ันบาทเออคนนี้ประสบความสำเร็จมุติตายินดีเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้และเดี๋ยวคงยุ่งแน่สังคมก็จะเดือดร้อนรักขโมยกันใหญ่ไปส่งเสริมไม่ได้ตอนนี้ท่านให้มาคอมอุเบกขาก็มีฉันทะอยากจะให้เขาดีให้งามสมบูรณ์แหละแต่ว่าไปพรอยยินดีส่งเสริมไม่ได้ ในกรณีนี้ก็วางใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วก็เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปตามกฎกติกาเป็นต้นตามธรรมนั่นเองอุเบกขาเพื่อรักษาธรรมสามข้อนี้เขารักษาคนเมตตากรุณาเมตตานี่รักษาคนพอถึงอุเบกขานี่รักษาธรรมเพราะคนเป็นละเมิดธรรมต้องเอาธรรมะไว้ก็เลยต้องรักษาธรรมความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นต้นก็เลย ต้องถึงข้อเบรกขาเข้าเบรกขาเป็นตัวนําปัญญาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากปัญญาเอาเข้ามาร่วมด้วยเป็นตัวสร้างความสมดุลให้สี่ข้อเนี่ยมันครบบริบูรณ์เต็มที่นั่นเองเอาอันนี้ตมาก็เลยอธิบายเรื่องความหมายของความปรารถนาความต้องการนี่มันเยอะก็ใช้เวลากันหน่อยแต่ว่าขอย้ําว่าต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องความอยากความต้องการ แล้วก็ความต่างกันระหว่างความอยากความต้องการสองประเภทนี้คิดว่าคงไม่มีข้อสงสัยแล้วนะอันนี้มันจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยขอแทรกไอดียเฉพา ะ, ะเกี่ยวกับการศึกษาในการศึกษาเนี่ยเราต้องให้ฉันท่เกิดให้ได้ถ้าฉันท่าไม่เกิดการเรียนก็จะไม่มีความสุขและถ้าเกิดฉันทะ เราจะให้กระบวนการเรียนสนุกสนานหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องเบาแหละเป็นเรื่องเพียงแต่มาช่วยเสริมให้เด็กได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจแต่เขาต้องมีชันท้าของเขาเมื่อกันก็ครูเหนื่อยต้องมากระตุ้นกันอย่างเงี้ยหาทางให้สนุกเวลาจะมาสอนทีก็ไปคิดทำไงใจเรื่เรียนสนุกหาวิธีทำให้สนุกทีนี้ไอ้สนุกแบบตัหาเนี่ย คราวนี้มันสนุกอย่างนี้มันสนุกมากแหละต่อไปก็เบื่อชินคราวหน้าต้องหาทางให้สนุกเพิ่มดีกรีตั้หาทีนี้ทนอนกันไม่หยุดหมดแรงคุณครูเหนื่อยตกงลงไปในที่สุดนักเรียนก็หมดเหมือนกันคือตั้หามันไปไม่ไหวมันก็เลยไม่มีทางเพราะนั้นต้องระวังนะความหมายของการที่ให้เด็กสนุกในการเรียนเนี่ย การทําให้สนุกนี่คือการกระตุ้นความสนใจเป็นเบื้องต้นเรียกว่าเป็นบุพบั้งบั้งขั้นของปัจจัยภายนอกแล้วเป้าหมายอยู่ที่การสร้างปัจจัยภายในให้เกิดขึ้นหมายความว่าครัวาจานทีาเรียกกันเป็นปรโตโขสักถ้าเป็นปรโตโขสักที่ดีก็เรียกว่าเป็นกาลยาณมิตรก็ไปช่วยกระตุ้นเป้าหมายก็คือจะต้องไปสร้างปัจจัยภายในหรือทําให้เด็กเนี่ยเกิดปัดจจัยภายในคือเจ้าตัวฉันทะนี่ขึ้นมา ถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายก็ไปกระตุ้นกันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่ว่าชินชาหนักเข้าก็เบื่อนายแล้วก็กระตุ้นไม่ไหวหมดแรงถ้าครูมีเป้าหมายไปกระตุน้นเออเราหาทางให้เด็กเนี่ยเกิดชันทะพอเขาอยากเรียนใยรู้ขึ้นมาอยากรู้อยากทําขึ้นมาเอาแล้วทีนี้ยเขาเดินหน้าเองครูไม่มาฉันยังอยากทําเลยครูไม่มาฉันก็อยากคน้นอยากเข้าห้องสมุดอยากไปหาหนังสือดู แล้วดูได้ความสุขเพราะว่ามันได้สนองความอยากสนองความอยากที่เรียกว่าฉันทะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันมาฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญพอคนเราเกิดมีความอยากที่เป็นฉันทะเป็นกุศลนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาก็มาแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความสุขมันจะเปลี่ยนมันจะเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึกไม่ถึง แต่ก่อนเนี่ยเมืม่อมีตะตันหามันอยากได้อยากเอาอยากเสพมันได้มันเอามาเสพก็ต้องสิ่งที่ชอบใจรูปเสียงกลิล่นรสสัมผัสที่พอใจที่มันชอบพอได้สิ่งที่ชอบได้เสพก็ชอบใจมีความสุขความสุขขึ้นตาการเสพสิ่งที่ชอบแล้วพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบตรงข้ามก็ไม่พอใจขัดใจก็เป็นทุกข์ดะงนั้น สุขทุกข์ของเขาก็ขึ้นต่อความชอบใจไม่ชอบใจที่เป็นไปนตามตัณหาแต่พอฉันท้าเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอยากรู้อยากทำให้มันดีพอเจออะไรไอ้นี่มันไม่น่าชอบใจล้วไม่ชอบเออแต่อยากรู้มันเป็นยังไงสิ่งที่ไม่ชอบก็ชอบเราสามารถ เอาฉันทะมาเปลี่ยนให้คนชอบสิ่งที่ไม่ชอบแล้วพอเขามีปัญญานี่คือฉันทะเนี่ยมันต้องมากับปัญญาไม่เหมือนตันหาไอ้ตันหานี่ไม่ต้องมีปัญญามาเรื่อยแต่ว่าฉันทะนี่จะพัฒนาได้ได้ปัญญาพอมันรู้เข้าใจว่าสิ่งนี้ดีนะเป็นประโยชน์นะเอาไปใช้นั่นได้นี้ได้ไม่ได้ชอบเลยแต่พอมีปัญญารู้ขึ้นบ้างเอออยากรู้ พออยากรู้ว่าเป็นยังไงนะไอ้สิ่งที่ไม่ชอบนะ่ตัวชอบแหละนะชอบเราอยากรู้ทีนี้ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่ก็กลายเป็นทำให้มีความสุขเพราะนั้นมนุษย์เมื่อเริ่มมีการศึกษาแล้วเขาจะสามารถมีความสุขได้แม้กับสิ่งที่ไม่ชอบนะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปต่อไปความชอบใจไม่ชอบใจก็จะค่อยๆหมดความหมายไปเพราะมันไปอยู่ที่ การรู้การทําอันนี้กระบวนการมันก็มาตามเนี้ก็คืออยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์และก็อยากทําให้มันจนอย่างนั้นแล้วก็อยากรู้ว่าจะทำไงให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยหรือแม้แต่อยากรู้ก่อนก็ได้เพราะอยากรู้ว่าเอออันนี้เป็นอย่างงี้ถ้าทําไปแล้วเป็นอย่างนั้นพอรู้แล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงสมตามที่รู้อีกนั้นอยากรู้อยากทำเนี่คู่กันเพราะฉะนั้นเราก็บอกอยากรู้คู่กับอยากทํา แล้วก็จะนํามาซึ่งการศึกษาทําให้เกิดสองอันนี้ก็หวังยากแล้วเด็กก็เรียนยังไม่มีความสุขก็จะเป็นการศึกษาที่ฝืนใจดังนั้นต้องเน้นจุดนี้ก็คือสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้และการศึกษาก็จะเดินหน้าไปตอนนี้ก็มีย้าอยู่สองเรื่องคี อ, อด้านหนึ่งก็คือฉันทะที่มันขยายมาทางด้านสังคมก็คือการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ออกมาเป็นคุณธรรมที่เราพยายากับพรโมวิหาร4ี่ เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยโยงกันหมดเพราะท่านเชื่อถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องย้ำไว้ถ้าเราจับจุดนี้ได้แล้วคิดว่าพอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขเลยว่าจะไปยังไงอ้าวก็ขอตอบไปนิดหนึ่งทีนี้พอเราพัฒนาความต้องการได้เราก็พัฒนาความสุขได้ มันก็ไปด้วยกันก็คือการพัฒนาความต้องการนั่นเองเป็นการพัฒนาความสุขพอเปลี่ยนตัณหามาเป็นฉันทะหรือทำให้ฉันทะมันมากขึ้นได้เราก็พัฒนาความสุขของเขาได้แล้วความสุขของเขาก็เพิ่มขึ้นมีมิติขยายออกไป